ใครมาว่าเราอีกแล้วอขอบคุณค่ะเราพบแล้วพูดทำการตลาดของบุญนิยมกุมกลุ่มสามเอาอันดับหนึ่งไปติดแล้ว 3, เอาอันดับหนึ่งไปติด ประเด็นว่าเาข้อธิบายตอบไปเรื่องจุดแข็งของอโศกแต่ว่าโจทย์ภัยคุกขามโจทย์ที่เอื้อาโสม ค, คืออะไรครับทั้งโลกกาลังเจอปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมเหมือนอันนี้อติดนะครับประเด็นอติดเดียวติดเอาเอาบัตรคําไปติดครับคำว่าสุขภาพสุขภาพของชาวโลกของเขา่จะย่ําแย่หมดแล้วก็ต้องวิ่งคลานเข้ามาห า, าโศก ใช่ไหมครับลาโศกก็จะขายของได้ที่เข้าที่บายต่อไปแล้วก็ไปสู่บทบาทใหม่ของลโศกคือบทบาทการเมืงองอารยะอันนี้เข้าที่บายเป็นลูกโซ่เลยนะถือว่าเก่งมากการขายนีเป็นนักบุรุดมคนหนึ่งนะเนี่ยเออผมติดคํานี้อธิบายคําว่าสุขภาพทุกคนเข้าใจนะครับคือเป็นโอกาสที่เอื้อต่อชาวาโศกเพราะว่าคนนอกอโศกจะเป็นปัญหาสุขภาพเหมือนผมหมดเลยเป็นโรคอะไรเยอะแยะไปเลยเพราะั้นปัญหานี้จึงเป็นโอกาสของชาวอาโศก นี่คือเรื่องสุขภาพนะครับนี่กลุ่มที่3ามคราวนี้เอากลุ่มต่อไปครับที่ทําเรื่องบวกขอให้บวกกันนะชุดใครครับเรื่องเรื่องเอื้ออ้าวกลุ่มหนึ่งเชิญครับเขาทำเขาโฆษณาดีมากนะครับเนี่ยผมจะเป็นผู้นําเสนอครับอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งนะครับเราตั้งชื่อว่าเอกีภาวะนะครับเพราะเราสามารถจะรวมเป็นหนึ่งโดยไม่ขัดแย้งกันนะ เสียงดังอีกโ้ oh, รมกลุ่มนี้เขาเสียงดัง <c oughs> ฟังชัดมีหน้าทางครับผมโอโอเคนะครับทีนี้จุดตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่สำคัญมากโลกใบนี้ขาดเรื่องจิตวิญญาณนะครับเราเลยใช้คำว่าหลวงปู่วิชิตอวิชา <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกคนมุ่งไปสู่ความเป็นพุทธเดียวกันนะครับที่เอาคนมีคุณธรรมในระดับต่างๆกันนะครับแต่ละฐฐานะเนี่ยมารวมพลังเข้าด้วยกัน นะครับเพื่อที่จะสร้างคนดีไปสู่สังคมโดยใช้บัณฑิตวนอบอนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการทํางานในสังคมและเสียสละให้กับสังคมซึ่งเป็นสภาพของการเก่งงานและอาจจะทําให้คนดีๆในสังคมไทยมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน่าภาคภูมิใจตามคําของในายหลวงที่บอกไว้นะครับว่าต้องการให้คนดีไปปกครองบ้านเมืองนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยได้เป็นต้นแบบนะครับของหลายหลายอาชีพมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นต้นแบบสำมาอาชีพนะครับทั้งเรื่องสามอาชีพกู้ชาติกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งส่งผลให้เรามีอาหารเพื่อสุขภาพนะครับทำให้พวกเราสุขภาพและถ้าพวกเราสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นโอกาสที่พวกเราจะไปแสดงความชํานาญวิชาเนี่ยมีรูปประทำที่เป็นความจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งแง่ของศีลเคร่งเก่งงานชํานาญวิชาพวกเราจะได้ร่วมการประกอบเป็นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนขณะเดียวกันในระดับจิตวิญญาณสร้างคนดีสู่สังคมและเป็นต้นแบบสัมมาอาชีวะพวกเราก็จะรวมพลังร่วมการทําให้มันประสบผลสําเร็จให้ดีที่สุดครับอ้าวตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาเดี๋ยวถาม ผ, ผู้ผู้ฟังก่อนผู้นําเสนอกลุ่มนี้มีอะไรเด่นเด่นมาก เด่นแบบหนึ่งเมื่อกี้เขาโชว์เด่นเรียกว่าทอคโชว์เด่นอันนี้สาระเด่นอ่าใบให้ก็ได้เขาเด่นอะไรเอ่ยเ น, เนื้อหาเด่นยังไงเด่นยังไงไม่ใช่ไม่พูดทีละคนครับข อ, อกาค่ ะ, ะเนียมใจค่ะจากที่ฟังอาพูดนะคะอาจับประเด็นเรียบเรียงเป็นขั้นตอนแล้วก็มีความสอดคล้องกันเขาเรียบเรียง บัตรคำทุกสิทธิ์บัตรคําอยู่นะไหมเขาติดฉลาดไหมจัดเป็นกลุ่มไหมแล้วเข้ากับแพทเทิร์นเข้ากับหลักการของอโศกไหมใช่ค่ะนี่ไงนี่นี่คือการจัดบัตรคำเห็นมว่าบัตรคำเนี่ยมันมันจัดความคิดได้แล้วจัดความคิดได้เป็นเข้ากับตัวชี้วัดของอโศกไหมปรัชญาของของการศึกษาเลยอ่านี่คือการเหมนบัตรคำเนี่ยมันเข้าสู่สาระได้เร็วค่ะแล้วจัดหมวดหมู่บัตรคําเนี่ยเจนว่าบางคนติดพึกบางคนติดเป็นกลุ่มได้ไหมแล้วจัดความคิดสินเด่น เก่งงานชั้นวิชานี้เป็นหลักของไของอาา่ชาวโศมมันก็เอาบัตรคํามาใส่กรอบกรอบความคิดกรอบความคิดนี่อยู่ในหัวชาวโสมไหมค่ะเนี่ยมันบัตรคําจะติดตามกรอบความคิดเห็นไหมครับเป็นปรัชญาของวนบเลยนะคะอันนี้<ช>ความสินเครง<ช>่งเก่งงานชํานาญวิชาค่ะแล้วจุดขายก็คือเอาเอ า, เอาเรื่องที่สูงสุดของอโศมมาเป็นจุดเด่นนิดนึงอันนี้ตบมือให้หน่อยครับนี่เป็นการจัดบัตรคําที่เก่งมากนี่บทบทที่หนึ่งก็รู้จักการจัดบัตรคําได้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมไม่อธิบายนะนี่การจัดบัตรคําให้เป็นระบบ เอากลุ่มต่อไปครับเอาเฉพาะประเด็นที่หนึ่งไปติดไว้ด้านบวกคุณจะทำกะลุมพลังไปติดสองสามไม่ต้องกลุ่มต่อไปบวกอีกเอาสามกลุ่มเอาอันนี้ให้โอกาสทุกกลุ่มเลยบวกครับเชิญครับเห็นเห็นการติดบัตรคำแต่ละกลุ่มไหมครับและการเขียนบัตรคำสังเกตเองนะครับค่ะขอโอกาสค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเนียนใจกลางสอนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่สี่นะคะค่ะ ประเด็นแรกของเรานะคะที่เราเลือกกันมานะคะจากในในเใน9ข้อนะคะเรามี9้าคนวันนี้นะคะเราจับประเด็นของเรื่องของการศึกษาบุญนิยมเพราะเราเห็นว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้ล้มเหลวนะคะเ <rhyme> มื่อการศึกษาล้มเหลวจึงเป็นโอกาสให้ชาวอโศกเนี่ยจะมีโอกาสได้ศึกษาในธรรมะอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเอาความรู้นะคะเอาความรู <wisdom>. ้ๆๆในเรื่องของทางธรรมเนี่ยการศึกษาคําว่าบุญนิยมที่คือการศึกษาในทางธรรมนะคะนะคะศึกษาในเรื่องอะไร พ่อครูให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่าการศึกษานั้นเพื่อสแสวงหาความรู้และนําความรู้ที่ได้นั้นไปเสียสละนะคะไปลดละความเห็นแก่ตัวนะคะเมื่อเราลดละความเห็นแก่ตัวก็คือการลดกิเลสนั่นเองนะคะเมื่อคนเนี่ยนะทฤษฎีงาน19ข้อคนนะคะเมื่อลดกิเลสได้แล้วนะคะก็สามารถจะนำํำการลดกิเลสแล้วเนี่ยก็เอาไปสู่การอาชีพนะคะสาอาชีพผู้ชาตินะคะก็ จะมีขยะวิทยานะคะมีกสิกรรมไลส้สารพิษมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะอย่างเช่นเรามีโครงการเรื่องข้าวแสนตันเป็นต้น นะคะต่อไปในข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นว่าในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยการขาดแคลนอาหารจะเป็นมีความรุนแรงมากเพราะนั้นการทำข้าวแสนตานโครงการข้าวแสนตานหรือเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็ น, เ ป, นเป็นตัวแก้หรือเป็นตัวไขปัญหานี้ได้และจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างมากนะคะเราก็เลยเลือกออประเด็นเหล่านี้มานะคะว่าเนี่ยข้าวนี่แหละจะช่วยแก้ปัญหาได้ ในเรื่องของอาหารในเมื่อมีอาหารดีแล้วสุขภาพก็จะดีตามมาค่ะก็กลายเป็นสุขภาพบูรณายมนะคะซึ่งในชาวอโศกเรานั้นโอ้โหสุขภาพนี่มากมายหลายขแขนงเลยนะคะนะคะเรามีสุขภาพในเรื่องของอทีมของโมเขียวก็จะมีนะคะนะคะแล้วก็เรื่องของเมคโรไบโอติกนะคะแล้วก็มีการล้างพิษตับมีร้ายศาสตร์เลยนะค ะ, ะมีการทํากัวซามีอู้สารพัดหมดเลยพวกเราชาวอโศกจะทราบดีเพราะฉะนั้นเมื่อ เมื่อเราสามารถทำคนของเราให้ดีก่อนได้เราจึงทำอาชีพได้และเมื่ออาชีพเราดีสุขภาพดีความอยู่รอดของมวลมหาประชาชนหรือมวลมนุษยชาติก็จะคงอยู่ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะมาอีกประเด็นนะครับแต่ผมติดรวมกันได้ไหมอันนี้ถามที่ประชุมเรื่องเดียวกันไหมเรื่อง ใช่ก็คือโอกาสคือชาวโลกทั้งหมดประสบปัญหาเรื่องกิเลสใช่ไหมครับอาโศกก็เห็นเป็นโอกาสนอกจากเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของธรรมะใช่ไหมครับทั้งระดับโลกียะและระดับลลกุตละด้วยการใช้การศึกษาแบบบูรณายมอันนี้ก็ขออนุญาตถามว่าจะใช้ไว้ด้วยกันได้ไหมเพราะเดี๋ยวต้องลงคะแนนอันนี้ถือเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับใช้การใช้ธรรมะเป็นโอกาส เราใช้การศึกษาที่กล่องเก่าชาวส่งนี่เป็นโอกาสอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเดียวกันไหมครับ น, นี่จะเอามาติดอันนี้ต้องขออนุญาตมาติดเพิ่มทั้งที่เป็นอันดับ3ของเขาแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันไหมแสดงว่าคิดตรงกันไหมอ่าเอามาติดไปด้วยเอากลุ่มต่อไปครับกลุ่มต่อไปอ น, นี่วิธีหลอมบัตรของทุกกลุ่มเขาหากันขอโอกาสค่ะกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ก็พยายามนําความคิดของทุกคนนะคะแล้วก็มาสังเคราะห์ พยายามให้เคารพความคิดของทุกคนในกลุ่มสิบกลุ่มนะคะเราก็มองเราก็มองถึงเรื่องการศึกษาเหมือนกันค่ะว่าการศึกษาในทุกวันนี้นะคะเป็นการตั้งแต่ระดับประถมมัธยมหรือว่าอุดมศึกษาเป็นการที่เราตามตามกระแสของตะวันตกมากแล้วพอเราการศึกษาเราจบปุ๊บเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่เข้าค อ, อกในทุนเราก็จะไปรับใช้ในทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะก็คือข้าวของแพง มันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรค่ะมันเกิดขึ้นจากปัญหาของความโลภถ้าเราพูดในแง่ธรรมะนะคะความโลภของคนความโลภของระบบสุนิยมที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งปัญหาการเมืองที่เราจะต้องออกไปเคลื่อนไหวกันมากมายมันก็เกิดจากกิเลส ข, ของคนที่ไม่รู้จักจบสิน้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็คืออยู่กับเรื่องการศึกษาที่เขาไม่สามารถที่จะลดกิเลสได้แล้วมันทําให้ทั้งโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นทั้งโลกนี่ปั่นป่วน เพราะเรื่องระบบการศึกษาแต่ทีนี้เรามองว่าทำอย่างไรอะไรของชาวโสมที่พอจะไปเอื้อได้อันดับแรกเรามองถึงเรื่องอาหารค่ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะเราก็มองถึงระดับระดับเป็นผู้ผลิตก่อนระดับผลิตนี่ก็คือเราเน้นถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์เราจะต้องผลิตปุ๋ยสะอาดแล้วก็พืชผักทุกอย่างจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารสะอาดเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดค่ะ รวมถึงตอนนี้ที่พ่อครูกําลังจะให้พวกเราทําเรื่องข้าวแสนตันหรือว่าข้าวไร้สารพิษซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราหลายคนนะคะชาวสุขทั่วประเทศพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้มากค่ะเมื่อมีทั้งระบบผลิตระบบแปรรูปเราก็มาถึงกระบวนการที่เราจะเอาออกหรือว่าเอาพุทของเราก็คือในเรื่องการบริโภคการบริโภคของเรานะคะก็หมายถึงว่าเราได้อาหารที่สะอาดอาหารที่ไร้สารพิษในเมื่ออาหารทุกอย่างนะคะ เรามองถึงว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาอาหารทุกอย่างเข้าไปสู่สังคมได้เป็นเป็นอาหารที่ไร้าสารพิษเนี่ยสุขภาพพึ่งตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นรวมถึงแม้กระทั่งทุกอย่างระบบกรดปวนการผลิตเสร็จแล้วขยะก็ไม่มีใครที่จะสนใจเราก็จะสามารถไปด้วยขยะวิทยาด้วยหัวใจของเรานะคะเราจะไปจัดการระบบขยะตอนนี้ซึ่งมองไปแล้วเราก็สามารถจะทาได้อยู่แล้วนะคะ เราก็เลยถือว่ามันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ครบกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยอยากทําเป็นวงกลมด้วยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันทั้งหมดอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับตอบมาให้เพื่อนหน่อยครับเอาเร็วหน่อยครับตอนนี้กลุ่มต่อไปถ้าซ้ําเพื่อนเตรียมพูดให้ฉีกเพื่อนเอาอันนี้ไปติดเลยครับเอาไปกลุ่มนี้เลยอันนี้เป็นประเด็นใหม่ไหมเรื่องอาหารเกี่ยวข้องกับสุขภาพนี่ก็อาหารใช่ไหมครับ มันอันนี้อยู่ในจะจะใช้คาว่าสุขภาพติดไว้ในกลุ่มสุขภาพได้ไหครับอาหารหรือจะเปิดประเด็นใหม่ถามก่อนครับอ เ, เอาไว้เอาไว้ประเด็นใหม่ไห ม, ไมาอาหารเป็นย า, อาเอาองั้นไว้ตรงนี้เอาติดทั้งหมดเลย3บัตรคำของเขาอาหารอันนี้ติดเพื่อจะเป็นความเข้าใจพูกเราดีต้องให้คะแนนนะเอาติดเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไวในข้อหนึ่งใช่ไหมครับ เพราะว่าอธิบายคล้ายๆกันแต่ว่ า, ามีมุมต่าง ก, กันเอามีเรื่องเกษตรพอเพียงลอลไรมาไว้ด้วยครับบัตรคําเอาเชิญกลุ่มต่อไปครับเชิญเลยครับเอาตกมือให้เพื่อนเลยครั บ, รบกลุ่มนี้เอาเริ่มขอโอกาสนะคะอันนี้เป็นกลุ่มสองค่ะป้ายป้าบัตรบัตรคำที่เราเลือกเป็นอันดับหนึ่งก็คือความเจริญทางจิตวิญญาณนะคะ จิตวิญญาณนั้นเป็นประธานของทุกอย่างเมื่อเราชาวโศกถือกำเนิดขึ้นมาได้เนื่องจากว่าเราได้รับการบ่มเพาะทางจิตวิญญาณจากพ่อครูสมณโพธิลักษณ์หลังจากนั้นเนี่ยจึงทําให้เราเกิดการลงสู่ดินแล้วก็กลับไปสู่พื้นดินได้คือแผ่นดินนี่แหละก็คือสามารถให้อาชีพแต่ละอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือแม้กระทั่งระดับด็อกเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาด้านวิชาการต่างๆก็สามารถ มาสู่การทำกสิกรรมไร้สารพิษนั่นคือกำเนิดมาก่อเกิดมาจากจิตวิญญาณที่พ่อครูได้บ่มเพาะเราจึงก่อเกิดกสิกรรมไร้สารพิษเมื่อเรามีอยู่พอกินพอใช้พอเพียงหลังจากนั้นเราจึงเริ่มที่จะ เผยแผ่ไปสู่ชาวโลกโลกีนะคะโดยการนำเอาคำว่าบุญนิยมซึ่งคำว่าบุญนิยมนี้ก็จะเป็นความหมายที่ครอบคลุมทุกอย่างก็คือการศึกษาบุญนิยมสาธารณาสุขจนกระทั่งอาหารจนกระทั่งระบบสื่อสารต่างๆซึ่งมันมันสวนกระแสกับสื่อของทางโลกก็คือจึงเกิด FM เพื่อมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นกลุ่มของดิฉันจึงได้คาจากัดาร์ม ก่อเกิดริเริ่มมาจากความเจริญทางจิตวิญญาณซึ่งพ่อครูเป็นผู้บ่มเพาะให้เราหลังจากนั้นเราจึงสามารถลงสู่ดินก็คือกติกรรมไรสารพิษเมื่อเรามีอยู่พอเพียงพอกินแล้วเราจึงเผยแพร่ไปสู่โลกกว้างในระดับบุญนิยมซึ่งรวมเอาหมดทุกสาขาวิชาแม้กระทั่งสื่อ FMTV อตลอดทั้งหลายแหลลงสู่คาว่าบุญนิยมเพื่อช่วยโลกค่ะโอเคครับต น, นีอ้อันดับหนึ่งของกลุ่มนี้คือจละ จะติดประเด็นใหม่หรือไปรวมกับประเด็นเก่าครับคราวนี้กลุ่มต่อไปผมว่าจะซ้ําตอนนี้ซ้ํำไหมครับถ้าซ้ำเนี่ยจะไม่ให้นําเสนอแต่จะให้ไปติดติดกกลุ่มเก่าอันดับหนึ่งอันนี้อ๋อ น, นี้นี้ได้ลบได้ลบโอเคงั้นติดเป็นอันดับหนึ่งกเปล่าฮะเออเราอันดับหนึ่งเท่านั้นาตามกติกาอันดับหนึ่งของเขาอันนี้จะติดที่ไหนครับแก่มา่ก่อน อ, อยู่ในข้อคุณธรรมก็อยู่ในนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับก็ยังไงสองปัจจัยอยู่ดี2ประเด็นอยู่ดีนะครับแต่ขยายความมุมมองต่างกันที่เหลือก็คล้ายๆกันนะครับบุญยมอา่านี้ด้านบ่วงไปแล้วมี2อแนวโน้มเองตอนนี้อันดับ2ใครคิดว่ามีประเด็นที่ต่างกับประเด็นอื่นครับเพื่อเพื่อหาอีกอีกสองประเด็นหนึ่ง้ากลุ่มอีกทีนี้อันดับสองใครมีเรื่องอะไรกติกกรรมไยสารพิษอันนี้ก็เหมือนก็คืออาหารที่ก่อนเดี๋ยวขอ อันับสองของทุกกลุ่มมืกี้มีประเด็นอะไรแตกต่างไหมครับลองดูค้นดูเพื่อให้เราได้3ปัจจัยครับขยะเอาขยะมาอันนี้ไว้ในอาหารพราะเพราเรายังไม่ได้สาประเด็นได้สองเองเพื่อเพื่อจะกรองให้ได้หรือสักสาโอกาสอะไรครับเจ้าของกลุ่มใครครับอธิบายหน่อยอธิบายตรงนั้นเลยเอาไม้ไปจ่อปาก คือทุกวันนี้นะคะการที่การที่เราเสพทุกสิ่งทุกอย่างะคะโดยที่เป็นวัตถุก็มีแต่นาออกจากตัวเอาออกจากตัวแต่ว่าคนที่จะสามารถ <มา S 1> กำ <3. S 1> จัดขยะได้เนี่ยน้อยมากค่ะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยทุกคนคิดว่าเป็นขยะก็ออกจากตัวแต่ไม่สามารถจะมารีเพลย์รียูส์รีดิวรีเจคอะไรได้ทั้งนั้นนะคะรวมถึงขยะทางจิตวิ ญ, ญญาณขยะทางจิตวิ ญ, ญญาณก็คือขยะพฤติกรรมอย่างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ค่ะก็เลยถือว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะ เออแค่คำดีเนี่ยขยะทางจิตวิญญาณเขียนมาอ๋อในข้อครูค่ะพ่อครูให้มาถูกแต่ว่าเขียนในบัตรคาไม่มีคำเนี่เซ็กซี่ตายโอ้โทษคํานี้มันมันมันเห็นภาพชัดว่าขยะที่ทุกคนมองไม่ออกคือขยะทางจิตวิญญาณคือการคอร์รัปชันต่อมิสินจ้างเนี่ยก็เดี๋ยวเขียนไปคาติดเป็นข้อที่สามนัคือขยะกายกับขยะใจนะชาวโศกเนี่ยมีการจัดการขยะขยะกายใช้ซีอาขยะใจใช้ธรรมะพระเจ้าใช้8ดอออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่3นะครับถุอว่ามี ขอสรุปโอกาสต่อชาวโกมี3าประเด็นนะครับหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพเชื่อมโยงไปหาอาหารและกสรศึกรรมาไร้สารพิษบนกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นจุดแข็งของโศมและเป็นโอกาสเอื้อให้โสมคิดว่าจะเป็นโอกาสนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของตัวธรรมะตัวการศึกษาธรรมะตัวการกล่มเกาธรรมะซึ่งเพราะท่านนําธรรมะสาปีก็คือประเด็นที่สองซึ่งชาวโสมพร้อมจะใช้เป็นโอกาสในการ ขัดเกลาตัวเองแล้วก็เกื้อกูลโลกนะครับอันที่3คือตัวขยะทั้งขยะกายขยะใจซึ่งอโศกมีโน้เฮาแล้วก็ขายได้ด้วยเป็นเป็นขยะเป็นเงินได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่3ซึ่งเป็นโอกาสที่ชัดของชาวอโศกนะครับทั้งในอนาคตด้วยและในปัจจุบันเอาคราวนี้มาดูเรื่องภัยคุกคามซึ่งให้นึกถึงคําว่าตายนะครับถ้าไม่ตายอย่าอย่าอย่าอย่ามาเสนอก <laughs> รุ๊ปไรกก่อนครับเอาครับ <c oughs> อ่ากลุ่มหกตบมือให้กลุ่มหกหน่อยเค้านี้ด้านลบเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายชาวสมากกลุ่มหนะคะมีสมาชิกทั้งหมดเก้าคนนะคะเก้าบัตรคําซึ่งพวกเราได้สังเคราะห์กันเหลือแค่สามกลุ่มคือแบ่งเป็นกลุ่มทางด้านจิตวิญญาณความรู้สึกแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพด้านแรกนะคะทำไมถึงบอกว่าด้านจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราจะเห็นได้เลยว่า คนส่วนใหญ่นะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาดนี่คือบตดคำคำแรกใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทไม่ขนขวายนะคะก็คือขี้เกียดนั่นเอง เห็นไหมคะเวลารัฐบาลมีประชานิยมอะไรมาไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกรถคันแรกหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะวิ่งไปเอาอเป็นอันดับแรกเลยก็คือเขารอรับอย่างเดียวโดยไม่ข้นขวา้าขี้เกียจไม่ขยันนะคะอันนี้คือทางด้านจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณอ่อนแอรอรับอย่างเดียวตอนนี้แหละชาวอาโศกเราจะต้องหนักแน่นอนคือเขาจะวิ่งก็ามาคนที่เข้มแข็งนะคะทางด้านที่สองเศรษฐกิจและสังคมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้เงินนะคะปัจจัยตอนนี้เขา GDP เป็นไงคะใช้เงินเฟอ้อใช่ไหมฟุงฟฟงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟื่อยจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่แข็งแรงทางด้านจิตวิญญาณทําให้เขาใช้เงินอย่างฟุง่มฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟื่อยแล้วก็มีปัญหาตามไปก็คือไม่รู้จักแยกแยะนะคะจัดสรรในเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นไม่ว่าตั้งแต่ครอบครัวไปจ น, ข, น, ปจนขึ้นไปจนถึงระดับสังคม บอกขยะแพร่ขสาเป็นไงคะเป็นปัญหามากมายนะนั่นก็คือจิตวิญญาณไม่เข้มแข็งทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปจัดการในเรื่องของการใช้เงินได้ใช้ขยะแยกขยะอย่างอย่างรู้ค่าเหมือนชาวอาโศกเรานะครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตยอย่างฟุ่มเฟือยนะคะส่งผลไปถึงให้สุขภาพ อ่อนแอนะคะสุขภาพอ่อนแอได้ไงคะเป็นไงคะปัญหามลพิษมีทุกอย่างเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นอากาศนะคะพื้นดินปลูกผักใช้สารเคมีทั้งนั้นเลยน้ำบ่บำบัดแต่ละแห่งเป็นไงคะโรงงานปล่อยน้ำเสียลงไปทำให้สุขภาพไม่ดีเกิดการเจ็บป่วยนะคะ ซึ่งแต่ของเรามีบาดคำที่สําคัญนะคะปล่อยเคมีลงไปทําให้สุขภาพเราเจ็บป่วยชาวออโศกเป็นไงคะตอนนี้เตรียมรับพร้อมหรื อ, อยังคะรับรองวิ่งเข้ามาแน่นอนเนี่ยว่าล้างพิษตับยป็นไงข้งเราได้รับความนิยมมากเพราะเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครอันนี้ก็คือเราถ้าไม่เข้มแข็งตายแน่นอนนะคะชาวออโศกตรงนี้นะคะก้อนนี้ก็คือสรุปภาพรวม3ด้านนะคะจิตวิญญาณเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สุขภาพเขาจบไว้เพียงแค่นี้คะ่ะ อตอบไปหน่อนครับอ้าวเดี๋ยวเอากลุ่มนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างกลุ่มนี้ได้ข้อคิดไหมได้ไงในถังมีอะไรเหมือนกันไหมกับด้านด้านบวกอันนี้เป็นด้านลบนะสแสดงว่าอะไรบทเรียนโลกเรานี่ไงครับโอกาสกับภัยคุกคามเป็นของสิ่งเดียวกันไหมจะขอละด้านของเหรียญเรื่องสุขภาพใช่ไหมเป็นโอกาสของเราและเป็นภัยคุกคามไหม ขยะเป็นไหมไเห็นไหมในการที่เรามองเป็นโอกาสก็เป็นภยัยคุกคามด้วยเพราะนั้นของสองสิ่งเป็นด้านมืดกับด้านสว่างได้ไหมอยู่ที่การมองอยู่ที่การแล้วการจัดการของเราเรื่องอะไรกันนั้นนี่คือประเด็นว่าจริงๆแล้วในการประเมินแนวโน้มจงอย่ามองด้านเดียวให้มองของคู่กันตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วด้านลบเนี่ยโดยมากเราจะไม่มองใช่ไหมครับในทางยุทธศาสาตร์เนี่ยยุทธะแปลว่าการลบศาสตร์แปลว่าเหมือนพุทธศาสาตร์ ยุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของฝรั่งที่ฆ่ากันมาตลอดนั้นเขาจึงใช้คําว่ายุทธศาสตร์คือมันเป็นความเป็นความตายของชีวิตนั้นมันเป็นของสองด้านของเหรียญและพวกที่ชนะศึกชนะเพราะมองโอกาสหรือมองภัยคุกคามครับภัยคุกคามเพราะว่าจะเห็นว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟเยอะมากเลยเพราะว่ามองแต่ด้านบวกแต่ด้านลบนี่แล้วเป็นของเดียวกันไหมเหมือนเห็นหนุ่มหล่อเห็นสาวสวยด้านด้านลบคืออะไรครับเอ็ด ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเห็นไหมว่าเราคิดตรงกันแต่มองคนละด้านนะครับนี่คือผมไม่ได้เอาเอาของม่เอาของพวกเรามาอธิบายเลยเห็นไหมเพราะนั้นการประเมินแนวโน้มเนี่ยจงอย่าประเมินด้านเดียวต้องประเมินสองด้านตามหลักพุทธศาสนาของเราเอาครับกลุ่มต่อไปถ้าเหมือนกันอย่าพูดพูดแล้วเฉยเสยเวลาหิวข้าวพูดเฉพาะส่วนที่ต่างนะครับ แล้วก็เอาไปติดด้านขว <ขอ S 1> าคุณพี่อ๋อตับติดเลยครับขอพูดเฉพาะส่วนที่ต่างนะคะก็เอาเรื่องการเมืองนะคะเพราะจิตวิญญาณของคนทุกวันนี้ทั่วโลกนะคะเสื่อมโทรมนะคะขาดคุณธรรมไร้คุณธรรมจึงทำให้นักปกครองไม่ว่าจะฐานะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่ที่เป็นของรัฐบาลลงมาถึงระดับจังหวัดระดับที่เป็นข้าราชการระดับตำบนพวกนี้นะคะอบตอบตนี่เสื่อมหมดค่ะ มันจะออกมาชัดเจนในเรื่องของศีนข้อสองนะคะเขาเสื่อมคุณาพสิข้อ2คือทําให้เกิดการโกงชัดเจนมากนะคะปัญหาเรื่องการโกงนี่อย่างเรื่องจํานําข้าวอย่างนี้นะคะทําให้มีผลกระทบต่อพวกเราคือพอถึงขีดวิกฤตสุดเนี่ยเราจําเป็นต้องออกไปช่วยใช่ไหมคะพอเราออกไปช่วยที่เราเอาออกไปร่วม10เดือนนะัก็เป็นผลให้เราได้ประกาศตัวของความเป็นชาวอสูบความเป็นชาวอสูบซึ่งซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งนะคะ พอเราประกาศตัวออกไปแล้วมาศักระยะหนึ่งเราก็จะจะได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับก็จะมีคนตามมาก็คงจะมีเงินมีอะไรต่างหมุนเวียนไหลาตามมาอีกทีตรงนี้เราก็ต้องควรจะต้องตั้งหลักให้ทันนะคะเพราะว่ามันเคยมี ม, ม, มีมาแล้วอย่างในเรื่องของการ อ, อบรมต่างๆนะคะมันจะมาในลักษณะนี้ของชาวสุขที่ผ่านมาแ ล, แล้วและก็หน้าอนาคตก็อาจจะมีถ้าเกินมีนี่นเห็นว่าเงินนี้มันจะสร้างความแตกแย ก, กและความอ่อนแอให้พวกเรา เราก็ต้องระมัดระวังนะคะก็ขอพูดแค่นี้เลยคะ่ะตบมเมย์เพื่อนหน่อยครับเอากลุ่มต่อไปจะยากขึ้นนะกลุ่มหลังๆเนี่ยต้องอธิบายที่ไม่ซ้ําที่ซ้ำในเชยเชิญครับครับต้องขอออกตัวนะครับ<ต>ว่าผม เ, เป็นคนที่ เ, เ, เ, เ, เข้ามาบบในกลุ่มนี้นะครับก็เข้ามาทราบว่าอาอีกสิปีนี้ ะร อ, อสูบของเราจะถูกสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาที่เข้ามาทําให้อสูบของเรานี่ตายในลักษณะนั้นนะครับไม่รู้จะเป็นนัยยะจริงหรือนัยยะอะไรก็ตามผมเลยได้คํานี้ที่ได้โอกาสพูดเพราะว่าท่านในกลุ่มของเราตกลงเอาคํานี้เป็นคำสามคำก็ของผมในกลุ่มนี้ละคําพ่อคําของพ่อเนี่เป็นคําสอน ถ้าเราปฏิบัติตามคำของพ่อนี่เป็นวัคซีนที่จะป้องกันอะไรทั้งหมดได้เลยไม่ต้องมีอะไรที่บอกว่าปัญหาต่างๆนี้จะไม่ตามมาขอให้เรายึดมั่นในคําสอนของพ่อและปฏิบัติตามผมความคิดแค่นี้ครับขอบคุณครับอ่ะต่อไปคุณฤทธิ์จะมาอธิบายประกอบในนักเข้าไปครับครับจเจริญธรรมทุกๆ ท, ท่านนะครับผมขอสรุปสัน้นๆนะครับ จริงๆภัยคุกคามเนี่ยมันมีภายในภัยของภายในกับภัยของภายนอกสิ่งที่น่ากลัวคือภัยของภายนอกเพราะภายในเราถูกขัดเกลามานานแล้วนะครับแต่ภัยของภัยภายนอกเนี่ยทุนทุนสามัญจากต่างชาติเนี่ยนะคือธรรมชาติของนายทุนนี่คู่กับการขาดแขนเมื่อสิ่งที่เราทําได้ประสบความสําเร็จแต่กระทบนายทุนนะครับจะถูกทําลายนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้พวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนี้ก็ถูกนายทุนจัด ก, การหมดแล้วแม้กระทั่งสมุนไพรนะครับประเทศญี่ปุ่นเอาสมุนไพรเราหลายตัวไปจดลิขสิทธิ์หมดแล้วนะครับตรง น, นี้เพราะฉะนั้นเราจะถูกกลืนพวกนี้ไปหมดอีกหน่อยก็จะเมล็ดข้าวเนี่ยก็จะถูกเครือบทำหมันจากนายทุนทั้งหมดนะครับตรง น, นี้เพราะฉะนั้นเราจะแล้วก็พวกสิ่งสิ่งที่เขาจะเป็นเครื่องมือของนายทุนอย่างมากเลยก็คือนักการเมืองนะครับพวกนักการเมืองแล้วก็กฎหมายต่างๆ แล้วก็การจดลิขสิทธิ์แล้วก็นักวิชาการตัวร้ายเลยครับตัวนี้นะครับจะจ ะ, จ ะ, จะใช้อำนาจของเงิ น, นทุ่มเทในสิ่งพวกนี้แล้วก็ทำลายไอ้สิ่งที่ขัดขวางกับนายทุนนะครับขอพระคุณครับกลุ่มนี้มีตัวอย่างสองประเด็นนี้ใครตอบได้ว่าเรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยเรื่องเราเป็ออนจทของใครันลองให้ประคุ ไม่ไม่เชื่อฟังคำของพ่อครูเป็นท่านิกำลังเสร็จปีนี่ไปเล่นของไทยครับตอนนี้เราให้ทําโจทย์ภายนอกว่าห่ลบแต่นี่เป็นโจทย์ภายในหรือภายนอกภายในเราในคือเราใช่ไหมครับงั้นอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าทําเกินเดี๋ยวไม่ทําต่ออันนี้เขาเราต้องรู้จักแยกว่าเขากับเราในหรือนอกนะตอนนี้เราทําโจทย์นอกอยู่เดี๋ยวเราจะให้ทําโจทย์ภายใน เปลี่ยนเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอันนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวไปทําต่อได้อันนี้จะให้แยกเห็นว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราจะแยกเป็นระบบให้เป็นระบบยังไงเพราะว่ายุทธศาสตร์ต้องรู้จักจําแนกความคิดในนอกเพราะนี้เราไปจัดการคนอื่นได้ไหมเราต้องจัดการตัวเราใช่ไหมครับตัวชาวส่งเองครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปทําต่อ นะครับขอบคุณมากคุณลุงครับเอาจยนกลุ่มที่เกกั<จ>นนะค ะ, คะกลุ่มที่เกค่ะก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้ร่วมฟังทั้งหมดแล้วก็รวมกลุ่มกันช้ามากเลยนะคะค่ะกลุ่มที่เก้านี้นะคะ ก, ก็คื อ, อสังคมข้างนอกนี้จะหลงเงินมากนะคะเอาเงินเป็นใหญ่เอาเงินเป็นตัวตั้งนะคะทุกวันนี้ทุกหน่วยงานก็แล้วแต่จะต้องมีเงินเป็นหลักนะคะคนเขาจะให้ค่าคุณจะมีความดีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า ถ้าคุณไม่มีเงินเขาก็จะไม่มองเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการหลงเงินนี้ก็เป็นภัยคุกคามนะคะที่จะทำให้สังคมนั้นเสื่อมสังคมนั้นแม้กระทั่งสังคมชาวโสงก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเงินจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมตอนนี้เสื่อมวิกฤตมากมากนะคะเพราะว่าไม่เห็นคุณงามความดีเลยนะคะโอเคครับ ประเด็นที่หน่งตบมือให้หน่อยครับเอาประเด็นที่หนึ่งทันเพื่อประหยัดเวลานะครับประเด็นที่สองสามประเด็นประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่2อําสั้นครับสั้นๆเอาประเด็นนี้คำสารเสร่อนะคะคำคสรรเสร่อตัวนี้อาจจะผิดประเด็นนะคะถ้าคิดไปแล้วไม่ใช่เรื่องเราเนื่องเราครับแล้วก็อาหารเป็นพิษนะคะอาหารเป็นพิษค่ะ3กับเพื่อนนะครับกลุ่มต่อไปครับอันนี้จะติดตรงไหนเอออยู่3ามไหม3เอาไว้ด้วยกันนะครับเพราะ นี่เป็นบทบูเดียวกันหลงเงินไม่มีหลงดีกับหลงเงินเอาเชิญครับกลุ่มสุดท้ายค่ะก็อันนี้เป็นกลุ่มที่สี่นะคะคะกลุ่มที่สิบขออภัยค่ะค่ะจริ์ธรรมสำนึกดีอาจารย์แล้วก็ น, นิสิต ท, ทุกท่านนะคะเอ่อสำหรับกลุ่มที่สิบนี้นะคะ ตัวที่ต้องการจะบอกก็คือขาดการพึ่งตนของคนภายนอกนะคะการพึ่งตนไม่ได้นะคะแม้แต่การเรียนหนังสือเด็กเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นไงคะกู้นะคะกู้เขาเรียนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหนี้เป็นอะไรทั้งหมดนะคะเมื่อเกิดโรคระบาดทั้งโรคที่เป็นโรคระบาดและไม่ใช่โรคระบาดเขาก็พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องมาพึ่งพวกที่แข็งแรงนะคะ เพระฉะนั้นก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายนะคะลุกเล่นลุกเล่นเอาเอาประเดียวไปรดเดียวประเดี๋ที่สําคัญที่สงกลุมนี้กลุ่มคืออะไรครับโรคระบาดใช่ไหมค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยของกลุ่มนี้คืออะไรมันมีโรคระบาดและโรคแม่ระบาดก็เลยมาเชื่อมโยงว่าจะเอาขาดขาดการพึ่งตนเองโอเคครับ อเอาไปเรีนอื่นมีไหมที่ต่างกับเพื่อนค่ะก็มีขาดการเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันไหมโรคระบาดกับสุขภาพไว้ด้วยกันได้ไหมครับมันเป็นลูกส้อยกันนะทั้งระบาดและไม่ระบาดไว้ด้วยกันเรื่องสุขภาพคะครับก็คงแค่นี้มั้งคะอ้าวขอบคุณมากต่อไปหน่อยครับคราวนี้คราวนี้เราได้จากหลอมกันจากสิบกลุ่มหรืออะไรครับ เออสามประเด็นใหญ่ๆซึ่งคัดมาจากอันดับหนึ่งของทุกกลุ่มใช่ไหมครับหกลุ่มอันนี้ 6- ถึงหกเจ็0ได้มาสาประเด็นเหมือนกันเขียนสั้นจุนจูว่าการเมืองหรือไม่ยังเขา้าใจหรือยังว่าการเมืองมันช่อฉนกับประชาชนนะอันนี้คือทุนก็สามานแล้วก็พวกเราก็หลงเงินกันพวกเราคือพวกเขานะไม่ใช่พวกเราพวกเขาก็หลงกันกันพวกผมเนี่ อันนี้สาประเด็นนะคือภายคุกคำต่อชาวโศกเพราะถ้าคลื่นแรงชาวโศกก็เสี่ยงเหมือนกันนะอันนี้คือด้านลบต่อชาวโศกนี่ด้านบวกแต่ชาวโศกใช่ไหมครับเอาละชัดไหมครับใครไม่ชัดจะให้เจ้าของบัตรคำอธิบายเดี๋ยวเราจะลงคะแนนแล้วนะทุกคนมี4คะแนนห้ามลงที่เดียวหมด4คะแนนนะต้องลงกระจายสจะบวกลบแล้วแต่ท่านแต่อีกคะแนนหนึ่งให้ลงที่ใช่เลยใจมันเต้นแรงนะครับนั้น4คะแนน ติดรอบก็ได้ติดบัตรคําก็ได้อย่างนี้เป็นกลุ่มก็ติดอันนี้ก็ผมผมจัดบัตรคำเป็นกลุ่มให้แล้วอันนี้ทุกคนเห็นชอบไหมถ้าไม่ชอบค้านเลยหรือต้องการคําอธิบายเดี๋ยวให้ติดโชว์ให้มาตัวตัวอย่างคนหนึ่งเอาใครจะสามาเลยมีสคะแนนให้ติดกระจายสาเอากลุ่มที่10ก่อนไล่10มาเดี๋ยวจะไล่เป็น1ิบเกดเจอาคนนี้มาสาหรือ๋ยวจะขอทีละกลุ่มนะครับกลุ่มละสิบคนมา อ่าตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอ่ามีสี่คะแนนใช่ไหม<ช>พี่อ่าพี่ติดสามคะแนนกระจายไปยใช่ <5 S 1> ใช่พี่จะเลือกอยังไงกระจายเอาอันคะแนนที่หนึ่งติดไปชอบอันไหนเอาแกะไว้เลยครับพอเสียเวลาแกะเดี๋ยวเราจะเรียกเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไล่จากสี่ไปหาหนึ่ ง, งหลุดแล้วไม่หลุดมั่ง อนนะัติดได้พยายามติดไปเอมันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เราจะติดให้ดูทำให้ดูเนี่ยของจริงเลยเอาติดไปเลยติดไปเลยเอานี่ไงติดโทมันไม่ยากเย็นหรอกชาวศพ ส, สมองสมองเลิดเลยจะตายไป เอาประกาขีดเอาเขีดแทนเอาเอ า, าเอ า, เอาขีดเลยเอาขีดชอบไหนจะขีดบนบัตรคําก็ได้หรือขอีดข<ะ>ีดในกลุ่มก็ได้ฮะเหมือนเหมือนเลือกตั้งขีดอย่างนี้เลยขียดหนงแล้วก็ตามมากันอ่าก็ได้ถ้าใครชอบบัตรคำนั้นก็ขีดในบัตรคําถ้าใครชอบทั้งกลุ่มก็ขีดข้างนอกตามที่น้องแนะนําได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ยังไงก็คือปัจจัยที่2นั่นเองนะ ตอนนี้เขาบอกว่าบัตรคำกล่าวมันล้าสมัยไปแล้วเอาติดให้เป็นตัวเอาขีดขีดเป็นตัวอย่างหน่อยอ๋สามบัตรสามคะแนนเติดให้ดูเลยเดี๋ยวขออาักาศอธิบายนะคะขออาักาศอธิบายฉันเริ่มเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะ คือหมายถึงว่าใน3ดวงแรกนี่นะคะเขามีให้4ดวงใช่ไหมคะ3ดวงแรกเนี่ยเราสามารถจะติดได้ใน6ช่องนี้ก็คือในด้านโอกาสอธิบายติดโชเลยองต่อองกระหัวใจที่2เด็กไหนห่านติดซ้ำอันเดิมค่ะวิจิตวิญญาณนี่สาขาที่ชอบนิจวิญญาณตลอดคุณธรรมวิจิตวิญญาณ2และสเห็นแม่กระจายสาันแล้วบแล้วแต่ซ้ายขวาสแล้วนี่เป็นตัวอย่าง หนึ่งอันอันที่ชอบที่สุดชอบที่สุดอะไรครับอ่าติดซ้ำที่เดิมก็ได้จะติดใหก็ได้แล้วแต่พวกพวกรักระจายจก็จะกระจายเป็นสี่เรื่องตินะต้นาอันที่สี่จะติดแล้วนะคะดิฉันชอบที่สุดก็คือการศึกษาคะ่ะค่ะนี่นะคะสามารถติดอย่างนี้ได้เลยค่ะ แทนการถกเถียงการพูดคุยใช้เวลาใช้วิธีลงคะแนนเท่านั้นเองแต่ว่าเพิ่มให้อีกหคะแนนจะเพิ่มสองเพิ่ม3ก็ได้เพื่อเทน้ําหนักไปให้คะแนนที่ได้มากสุดเดี๋ยวคะแนนที่มากสุดจะมีประเด็นต่อไปผมจะไม่อธิบายเยอะแต่ให้ทําไปมันอย่าถามก่อนปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะเข้าใจเข้าใจอย่างใครยังสงสัยอาเขิญครับใช่แล้วกระจายใช่ ที่ชอบที่สุดที่พิเศษก็อันนี้ชอบซ้าก็นี่ไงเขาชอบซ้ำเขาชอบอันนี้เขาก็ลงให้อีกใช่ชอบบัตรคานี้ก็ลงสองคะแนนใช่จะซ้ำของเดิมในสามอันแรกหรือจะกระจายไปก็ได้แต่เดี๋ยวคะแนนรวมจะออกมาเองชัดไหมครับใครยังไม่ชัดชัดอันนี้ผมจะให้เพื่อความระเบียบแล้วก็เวลาเชิญกลุ่มส0บก่อนครับในานะที่ทำช้าที่สุด เชิญกลุ่มสิบทั้งหมดเชิญไปเลยไปลุยติดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมันเต็มอ่ติดติดได้นะเอฟมันติดได้นะแล้วเดี๋ยวกลุ่มเก้าเต็มเลยนะครับถ้าไม่ติดก็ใช้ปากกาเขียนเลยเดี๋ยวนักตั้งหัวใจทั้งปากกาเอาปากกาสีแดงดีกว่าติดได้ใช่ไหมถ้าถ้าติดได้ก็ใช้หัวใจติด เดี๋ยวขออาส า, าสมัครนับนับคะแนนหน่อยใครที่นับเลขเก่งเชิญเชิญใครจะนับเลขไปนับนับว่าใครได้คะแนนมากที่สุดครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเตรียมใบเตรียมใบครับรอให้ติดเสร็จ เ, เดี๋ยวกลุ่มกลุ่มต่อไปกลุ่ม9้าครับกลุ่ม9เอาติดแล้วออกเลยครับติด ล, ลุยติดแล้วออกเลยครับ ก็แล้วแต่เขาครับมันมันมันเห็นเองครับพอเผอบัตรคำบางบัตรคำมันมันสะท้อนว่าเขาชอบบัตรคำนั้นบัตรเดียวเอาติดเสร็จแล้วออกไปเลยครับถ้าติดติดไม่ได้ก็ใช้ปากกาขีด ใครขโมยจุกไปครับเดี๋ยวแห้งหมดใใหมเอาติดแล้วออกเลยครับกลุ่มเกมาแล้ว8มาเลยครับกลับไปหาหนึ่งสรุปว่าเราหาข้อสรุปได้กี่วิธีครับที่เราทำกันมาเนี่ยเราเราหลอมความคิดของทุกคนได้กี่วิธี สังเคราะหรือสรุปหรือหลอมเนี่ยได้กี่วิธีที่เราทํากันเมื่อกี้เนี่ยสวิธีหนึ่งคือใช่อะไรตอนแรกใช่อะไรระดมสมองหาเหตุหาผลพูดคุยกันใช่ไหมครับจึงเลือก3ได้แต่ตอนนี้เลือกหนึ่งเนี่ยแล้วประหยัดเวลาด้วยใช้วิธีอะไรครับที่กําลังทําอยู่เนี่ยให้คะแนนเดี๋ยวจะออกมาเองว่าคะแนนที่มากที่สุดคืออะไรครับคือความเห็นของตั้งห้องใช่ไหมใช่ไหมที่เทให้กับใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจพวกเราใช่ไหม คะแนนที่มากที่สุดซึ่งผมไม่รู้อะไรผมไม่รู้จักชาวสกถึงขั้นในใจแต่สิ่งที่ออกมามันออกมาจากใจก็ไปติดตรงนั้นใช่ไหมครับนั้นคะแนนก็จ อ, อกมามากที่สุดโดยไม่ต้องมานั่งเคียงกันเลยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ใช้